มีใครมีทุระอะไรหรืเปล่าใครมีทุระอะไรหรือเปล่าครัน้องสาวเขาให้มาถามมครับว่าคนป่วยอคือคือทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วทีนี้จะมีคนดึงที่สายยางออกก็ต่างคนต่างเกียงไม่มีใครทำํำนี่เกิดถ้ามีคนหึ่งทำเนี่ยคนนั้นจะบาปไหมครับไม่บาปเนาะปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติ กายเขาอยู่ไปตามอัตภาพของเขาเขาอยู่ได้ก็อยู่เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปเหมือนกับสมัยโบราณไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอเขาก็รักษาไปตามอาการกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินดื่มได้ก็ดืม่มดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดืม่มแสดงว่าร่างกายมันหมดสมรรถภาพที่จะ ตังตัวของมันอยู่ตามตามธรรมชาติได้เราไปเราไปฝืนธรรมชาติของเขาเราไปยัดเยียดเรายัดเยีดเอาหารใส่ไปในร่างกายเอาน้ำใส่เข้าไปเขาก็ก็ทำให้เขาอยู่ต่อไปแต่เขาก็อยู่โดยที่ไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรก็นอนอยู่เฉยการ การรักษาพยาบาลแบบนี้ก็เป็นการทรมานคนไข้ไปเปล่าๆ เ, เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะหายแล้วก็ไปยืดความทรมานความเจ็บปวดทางร่างกายให้มันยาวไปเรื่อยๆก็กรณีแบบเดียวกับที่หลวงปู่ชาท่านก็อยู่แบบม็อยู่แบบแบบที่โยมเล่าเนี่ยก็มีสายยางมีเครื่อ ง, งหายใจ มีอะไรต่างๆลูกศิล์ลูกหางก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปถอดออกก็รู้สึกว่านิมนต์น้องตาไปน้องตาท่านก็เทศให้ฟังว่ามันมันไม่บาปหรอกที่เราจะไปยุติการรักษาพยาบาลในเมื่อมันรักษาพยาบาลมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดมีแต่จะเลี้ยงไข้ให้มันไข้มันมีไปนานๆ คนไข้ก็ต้องทรมานไปกับไข้ไม่นนานๆสู้ปล่อยให้มันยุติไปโดยธรรมชาติดีกว่าเขาก็เลยเขาก็เลยถอดสายยางถอดอะไรต่างๆออกหลังจากนั้นก็ไม่ไม่กี่วันมันก็ท่านก็ท่นก็เสียชีวิตไปการทำแบบนี้ไม่บาปนะแต่ถ้าทำอยากจะให้เขาตายเร็วนี่บาปถ้ายังไม่ตายก็อา อย่างคนที่เขาเลี้ยงสัตว์นี่เวลาสุนักเป็นอะไรอย่างทางเมืองนอกเนี่ยถ้ารักษาไม่หายเขาก็ยิงทิ้งเลยถ้าอย่างนี้บาปแต่เขาเรียกว่าเป็น mercy killing เป็นการฆ่าด้วยความเมตตาแต่ทางศาสนาพุทธเราไม่มีคำว่าฆ่าด้วยความเมตตาถ้าฆ่าเนี่ยมันฆ่าด้วยความหลงด้วยความโกรธ ด, ด้วยความกลัว ต้องมีเหตุก็กลัวกลัวไม่อยากให้เขาทรรานก็เลยให้เขาตายไปก่อนที่เวลาอันกวรถ้าทำอย่างเงี้ยบาปเช่นสมัยนี้ก็คนก็อยากจะตายกันเวลาที่ร่างกายมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของใจได้ก็มีวิธีการต่างๆ ฉีดยาให้ตายอันนี้ก็บาปถ้าทํำนี้บาปต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติทำตามธรรมชาติของเขาถ้าเขายังอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปถ้าเขาจะไปก็อย่าไปยื้อเขาอย่าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเหนี่ยวลังเขาปล่อยให้ไปเป็นตามธรรมชาติ แล้วคนที่ไปทําจะได้ไม่บาปบางทีเราเราสงสารเขาเราอยากให้เขาตายเร็วๆก็ไม่อยากให้เขาทรมานเราก็เลยทําให้เขาตายอันเนี้เราเป็นคนเราเป็นคนฆ่าแล้วหล่ะเราเป็นคนทําให้เขาตายเรื่องของร่างกายนี้มันไม่สําคัญเท่ากับเรื่องของจิตใจ เร่องขจิตใจนี้มันมีผลกระทบมากกว่าคือถ้าใจไปทำบาปมันก็จะมีผลกระทบกับใจจะทําให้ใจต้องไปรับผลบาปต่อไปถึงแม้เป็นร่างกายของเราเองแล้วเราฆ่ามันเราข้าตัวตายการข้าตัวตายก็ทําให้เราต้องไปรับผลบาป ด้วยการฆ่าเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันตายไปโดยที่เราไม่ได้ไปฆ่ามันเราก็จะไม่ได้รับผลบาปตายไปเราก็ไม่ต้องไปไปนรกนการฆ่าด้วยความความไม่พอใจอความโกรธความไม่ต้องการสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เราไปนรกแต่ถ้าเรา อให้มันตายของมันไปโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องไปรับผลของการที่ร่างกายมันตายไปตายไปเราก็ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เลยไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมแต่ถ้าทใช้บาปทำทำบาปทำกรรมแว้ตายไปก็ต้องไปรับใช้ผลของกรรมที่เราทำไว้ คือคนส่วนใหญ่นี้มองไม่เห็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปคือใจใจนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่มันเป็นตัวการสาคัญในชีวิตของเราร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้ใจผู้เป็นผู้สั่งผู้เป็นผู้รับผลจริงๆก็คือใจเวลาเราทำบุญเรามีความสุขใจเนี่ย ผู้รับผลบุญไม่ใช่ร่างกายร่างกายจะมีความสุขก็เฉพาะเวลาได้รับประทานอาหารได้ดื่มน้ำอันนั้นเป็นผลที่จะได้รับกับทางร่างกายแต่ทางใจนี้เวลาเราทำบุญในร่างกายไม่ได้รับเลยไม่ไม่รู้เรื่องเลยผู้ที่รู้เรื่องก็คือใจผู้ที่ทำบุญก็คือใจเวลาทำบุญแล้วใจก็มีความสุขมีความสบายใจ เวลาทำบาปใจจะไม่สบา ย, ยางนั้นเรื่องของร่างกายนี้ทางพระพุทธศาสนานี้ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญผู้ที่ตัวที่สำคัญก็คือใจเพราะใจนี่แหละเป็นผู้กระทำและใจเป็นผู้รับผลของการกระทำของตนนั่งที่คำสอนที่ท้างทรงตัดไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผู้ที่ทํากับผู้ที่รับผลนี้คำว่าสัตว์นี้แปลว่าจิตใจที่ยังยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สัตว์ทั้งหลายนี้เราไม่ได้หมายถึงร่างกายของเรา ไม่ได้หมายถึงร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเดรัจฉานอย่างนี้สัตว์นี่หมายถึงใจใจทีเ่เวียนว่ายตายเกิดใจที่ทำบุญทำบาปคำว่าสัตว์นี่ถ้าภาษาอังกฤษก็แปลว่า being being คือผู้ที่มีการมีมีการดำรงชีพยอยู่มีชีวิตยอยู่ ผู้ที่มีชีวิตจริงๆก็คือใจชีวิตจิตใจอยู่ที่จิตใจเพราะว่าจิตใจเป็นศูนย์ของของการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆรู้ความคิดของตนรู้สิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสร่างกายนี้ไม่รู้เรื่องเลยร่างกายนี้ก็เหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ย ก้องถ่ายรูปถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่รับภาพถ่ายภาพแต่เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายภาพอะไรผู้ที่รู้ว่าภาพที่ถ่ายนั้นเป็นภาพอะไรก็คือคนถ่ายคนถ่ายก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกล้องตาของเรานี่เหมือนเลนเลนที่รับภาพเข้ามาแต่ผู้ที่รับรู้ภาพนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับรู้ภาพนี้คือใจ แล้วก็ใจก็ไปทำอะไรกับภาพที่ตนเองได้รับรู้ทำดีบ้างทำบาบ้างกับภาพเห็นภาพที่ไม่ดีไม่ชอบเกลียดอย่างนี้ก็ไปทำลายภาพนั้นเห็นภาพที่ชอบก็รักษาดูแลยึดเอามาครอบครองเป็นของตนเนี่ยคูการก ผู้ที่กระทำการเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้สั่งการเพรียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำดังนั้นผลบุญผลบาปนี้ไม่ได้เกิดขึ้ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเกิดที่ใจเวลาร่างกายตายไปร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปก็เลยทําให้คนที่ไม่เข้าใจ ว่ามีใจเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังของร่างกายก็ไปคิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีผลไม่มีผลทำบุญทำบาป ก, ก็ไม่ได้มีผลอะไรพระตายไปแล้วก็ฝังดินนึือไปเผาเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปคนก็เลยไม่แน่ใจกับเรื่องบุญเรื่องบาต ก็เลยทำให้คนบางคนนี้ไม่กลัวบาปกัน<ม>เขาก็มองแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน<ม>ถ้าค่าแล้วเขาได้ประโยชน์เขาก็ยินดีค่า<ม>ถ้าค่าแล้วคิดว่าทำให้เขาสบายไม่ดับความไม่สบายใจได้เขาก็ค่า<ม><ม>แต่เขาไม่รู้ว่า เวลาค่านี้มันทำให้ผู้กระทำนี้ไม่สบายใจแล้วเวลาตายไปของความไม่สบายใจนี้ก็จะส่งให้ไปอยู่ในที่ไม่ดีที่มีแต่ความไม่สบายใจเราก็เรียกที่แบบนี้ว่านรกที่มีแต่ความไม่สบายใจนี้เราก็เรียกว่านรกแต่มันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่เหมือนกับ สถานที่ต่างๆมันเป็นใจของเราเองนี่แหละใจของเราเวลาทำสิ่งที่ไม่ดีใจมันจะสะสมความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆและเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปมันก็จะรับผลจากการกระทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ รับไปจนกว่ามันจะหมดเหมือนเราจุดไฟไว้จุดพอเราจุดไฟไฟมันก็จะไหม้ไปจนกว่าเชื้อมันจะหมดนะคบทำบาปนี้ก็เหมือนกับสะสมเชื้อไฟไว้พอเวลาตายมันก็จะเชื้อไฟนี้ก็จะลุกขึ้นมาจะทำให้ใจนี้เราร้อนใจเราทรมานแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปจนกว่า เชื้อไฟมันจะหมดจนกว่าบาปที่เราทำไว้มันหมดเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเราเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาทำบุญทำบาปให ม, ม่มาได้ร่างกายอันใหม่ใจนี้ไม่มีรูปร่างของตนเองเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นรูปร่างไว้สำหรับเอามาทำอะไรต่างๆ ใจนี้เป็นตัวที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้พอไปใช้บุญใช้บาปแล้วก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ mm hmm. ถ้าทำบุญใจก็สะสมความเย็น mm hmm. เวลาตายไปความเย็นนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบาย เหมือนอยู่ในห้องปรับอากาศใจที่ทำบุญนี้เหมือนใจสะสมซื้อเครื่องปรับอากาศไว้พอเวลาร่างกายตายไปเราใจก็เปิดเครื่องปรับอากาศขณะที่รอไปรับร่างกายอันใหม่ก็อยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบายพอได้ถึงเวลาจะได้ร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่ ส่วนพวกที่ทำบากก็จะสะสมความร้อนหรือสะสมเครื่องทำความร้อนไว้ฮิตเตอร์พอตายไปเครื่องทำความร้อนนี้มันก็จะทำงานก็จะทำให้ใจร้อนไปเรื่อยๆร้อนไปจนกว่ามันหมดกำลังหรือถึงเวลาที่จะมาได้ร่างกายอันใหม่มันก็มาเกิดใหม่ ทำบุญทำบาปมันก็จะมีผลตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วแล้วผลนี่มันจะยาวกว่าอายุของชีวิตเราเนี่ย อ, อายุของเรา8นี่ปี90ปีก็ตายแต่เวลาไปอยู่ในห้องเย็นหรือห้องร้อนเนี่ยมันอยู่เป็นร้อยปีพันปีมันมันหนักหนาสาหัสกว่าความทุกข์เล็กๆกน้อยน้อยที่เราพบ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ความสุขความทุกข์ที่เราพบจากการที่ร่างกายของเราสบายหรือไม่สบายเนี่ยมันก็ชั่วเดี๋ยวเดียวสู้ทําใจอดทนอยู่กับมันไปดีกว่าอย่าไปทําบาปเพื่อที่จะไปกําจัดความทุกข์ของทางร่างกายมาม า, มาทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งเฉย แล้วใจจะไม่เดือดร้อนไปกับความทุกข์ของร่างกายความเจ็บของร่างกายเราจะได้ไม่ต้องไปทําบาปไปสร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจแล้วถ้าเราอยากจะมีความเย็นความสบายก็ทําบุญอยู่เรื่อยๆเยลวลาเราทําบุญในี้ใจเราจะรู้สึกสบายเหมือนได้เข้าไปในห้องปรับอากาศ เข้าไปห้องเงยน็นนี่ก็คือเรื่องของการกระทาของเราที่เราทำกันสลับไปสลับมาบางเวลาเราก็ทำบาปบางเวลาเราก็ทำบุญแล้วก็จะสะสมบุญสะสมบาปไว้พอถึงเวลาที่เราร่างกายนี้ตายไป บุญกับบาปก็จะมามาแข่งกันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าใจก็จะเย็นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าใจก็จะร้อนเหมือนเครื่องแอร์กับเครื่องฮีเตอร์เปิดทำงานสองเครื่องเครื่องไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะส่งผลได้มากกว่าในเกิดใจของเราเป็นเหมือนห้องที่มีเครื่อง สองแบบเค ager, เรื่องทำความร้อนกับเครื่องทำความเย็นถ้าเครื่องทำความร้อนมีพลังมากกว่ dream, family, Penny, าห้องก็ร้อนถ้าถ้าเครื่องทำความเย็นมีกาลังมากกว่าห้องก็จะเย็นการทำบุญก็เหมือนกับการติดเครื่องทำความเย็นการทำบาปก็เหมือนกับการติดเครื่องทำความร้อนยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ใจก็จะร้อน นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมการกระทําทางตาทางทางกายวาจาใจเนี่ยถ้าทําแล้วทําให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับผู้อื่นก็จะทําให้ใจเราเย็นใจเรามีความสบายถ้าทําแล้วเกิดโทษเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นก็จะทําให้ใจเราร้อน เช่นการค่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปลดทำเหล่านี้จะสร้างความรุ่มร้อนให้แก่ใจแล้วมันก็จะสะสมไว้ในใจมันยังไม่แสดงผลในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันแสดงผลเดียวเดียวชั่วขณะที่เราทำพอเราไปทำอย่างอื่นไอความรู้สึกนี้ก็จะหายไป แต่มันยังไม่หายมันงไม่หมดมันสะสมอยู่ในใจมันจะทำงานเต็มที่เวลาที่ไม่มีร่างกา ย, ยนั้นถ้าเราไม่เห็นด้วยตาของเราเองถ้าเราไม่รู้ด้วยญาณคือสิ่งเหล่านี้ผู้มีความสามารถนี้จะเห็นได้แต่ต้องเห็นด้วยตาใน ตาในจะจะต้องเปิดตาในพวกเราทุกคนมีตาในแต่ตาในของพวกเรานี่ถูกปิดไว้เรามองไม่เห็นใจเราไม่ไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์แต่ถ้าเราอยากจะเห็นก็มีวิธีทาให้เราเห็นได้วิธีที่เห็นเราเราต้องปิดตานอกหลับตาแล้วก็ ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งอาใจสงบใจนิ่งแล้วตาในก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นตัวเราตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้เราก็จะรู้ว่าตัวนี้แหละคือตัวที่จะต้องไปรับผลผลบุญผลบาปตัวนี้แหละที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ได้ร่่งกายอันใหม่ เวลาที่ร่างกายอันเก่านี่นหายไปตายไปอย่างหนูคนเนี้เพิ่งได้ร่างกายใหม่มาไม่กี่ปีร่างกายเก่ามั น, ม, นมันหมดสภาพแล้วแล้วก่อนจะมาได้ร่างกายใหม่นี้ก็ไปอยู่ห้องเย็นห้องร้อนก่อนถ้าทำบาปไว้ก็ไปอยู่ในห้องร้อนถ้าทำบุญก็ไปอยู่ในห้องเย็น เพึ่งได้ร่างกายใหม่ใหม่เอี่ยมถ้าเป็นรถก็เพิ่งออกมาจาก <5 S 1> จากโรงงาน you got a brand new body <c oughs> <c oughs> how many year five year Five-year-old body. <laughs> yeah. Seven. years old. Uh. Seven y o d a a n you should make good use of your body. Make you happy. <laughs> uh. The way to make you uh, you you happy is to do good. <laughs> make other people happy. If you want to be happy, you have to make other people happy. If you want to be sad, you make other people sad. Yes. Yeah. Yes. You want to be sad or you want to be happy? You want to be, you want to be, happy? You want to be happy. You should make your mother happy, make your grandmother happy. <laughs> <laughs> If you make them. That you will be sad. Mm -hmm. So try to make other people happy if you want to be happy. This mm. <laughs> is right. right. the cause of k a r ้า If you want to be happy, y o ให้ e to r y If you want to b a p p o u h e r y i o u w e happy, you h e to t r If you want to a o h e r o e happy, e i a happy, e If you want to a o h e r o e happy, h e t อย่าไปทำให้ผู้อื่นก็มีความทุกข์เราทำอะไรมันจะกลับมาหาเราเหมือนกระจกถ้าเรายิ้มใส่กระจกกระจกมันก็จะยิ้มกลับมาหาเราถ้าเราแยกเขี้ยวใส่กระจกมันก็จะแยกเขี้ยกลับมาหาเรานี่คือกฎแห่งกรรมคนเราชอบแยกเขี้ยวเหลือเกินไม่ค่อยชอบยิ้ม งานทางบ้างวันนี้มีเข้ามากี่ค น, นสามค่ะร้กว่าห้สกว่ า, อวาอตอนนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube กับ f a c e b o o อยู่ อ, อยู่ที่ที่ไหนก็ดูได้คนคนที่อังกฤษคน ท, ที่ที่ต่างประเทศเขาก็ติดตามอยู่แล้วเขาก็ส่งข้อความมารายงานส่งข้อส่งคำถามเข้ามามีคำถามเข้ามาหรืยอยังลองดู คำถามจากคุณสามารถกรรมที่เกิดจากการร่วมเพศของชายหญิงถึงแม้จะเป็นสามีภรรยามีผลกรรมอย่างไรบ้างครับถ้าผู้ไม่ประสงค์จะมีบุตร น, ตรนี้ควรเลิกการกระทำอย่างนี้เลยจะเป็นการถูกต้องไหมครับคือรักษาสิ่ข้อธรรมัจจริยาเวลาถ้ารักษาสินกข้อขออรมจริยาได้ก็ดีคือจะได้ ดัดการเวียนว่ายตายเกิดให้มันน้อยลงแล้วก็ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้อยู่ในภพที่มีความสุขมากกว่าภพที่ต้องมีการร่วมหลับนอนกันเพราะการร่วมหลับนอนนี้มันก็มีอุปสรรคหลายอย่างต้องมีคนที่เราจะร่วมหลับนอนด้วยถ้าเกิดคนที่เรา อยากจะร่วมหลับนอนด้วยเขาไม่อยู่เราก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขนี้ได้เราก็จะเกิดความรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวยรู้สึกทุกข์แต่ถ้าเราอยู่แบบไม่มีคู่ได้เราก็จะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว่าวเวยเวลาที่เราอยู่คนเดียวนั่นก็คือความสุขเนี้ยมันมีอยู่สองแบบด้วยกัน ความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจเราสามารถเปลี่ยนการใช้ความสุขทางร่างกายมาสู่ความสุขทางใจได้คือถ้าเราเลิกหาความสุขทางร่างกายเช่นเลิกเลิกหลับนอนกับผู้อื่นแล้วเราเอาเวลาที่เราไปหลับนอนกับผู้อื่นนี้มานั่งนั่งสมาธิทำใจให้สงบ เราก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีโทษไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้โดยตนเองแต่ความสุขที่เราได้จากการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี้เราต้องมีผู้อื่นมาร่วมหลับนอนด้วย แล้วเราก็ต้องมีร่างกายที่พร้อมด้วยถ้าร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการไปเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากการร่วมหลับนอนได้คนที่มีปัญหาทางร่างกาย <c oughs> เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอามาเพิกกระหมาา่ามนี้จึงไม่อยากจะอยู่เพราะอยู่แล้วก็ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ คนที่หาความสุขทางใจได้นี้เขาจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความบกพร่องทางร่างกายเพราะเขาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั้นถ้าเราสามารถหาความสุขทางใจได้นี่จะดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้แหละที่จะทําให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ถ้าเรายัางต้องหาความสุขทางร่างกายอยู่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่แต่ถ้าเราหาความสุขทางใจได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ข้อต่อไป คำถามจากคุณส้อยฟ้ามีความคิดที่จะบวชชีแต่ปัจจุบันยังมีหนี้สินที่ต้องร่วมกันใช้กับสามีถ้าจะปล่อยให้สามีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะก็ต้องคุยกับสามีดูถ้าสามีเขายินดีก็ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวอย่างไรถ้าเขาอนุโมทนาเห็นว่าการไปบวชชีของเรานี้เป็นการเดินไปในทางที่ที่ดี เขายินดีที่จะสนับสนุนเขาก็จะได้บุญจากการที่เขารับภาระในการใช้หนี้ของเราเราก็จะได้บุญเราจะได้บุญจากการที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขทางใจแต่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วเขายินดีก็ไม่มีปัญหาอะไร คำถามจากคุณพัชรีคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือหากเราเจอเรื่องร้ายในปัจจุบนันก็เกิดจากกรรมที่เราเคยทํามาในอดีตชาติใช่หรือเปล่าคะก็อย่างนั้นนะทั้งเรื่องร้ายทั้งเรื่องดีก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราในอดีตเราเคยทําดีกับใครไว้เราก็จะได้รับการกระทําดีจากผู้อื่นกลับมาสู่เราเราทํา สิ่งที่ไม่ดีกับผู้อื่นเราก็จะถูกผู้อื่นเขาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราคำถามจากคุณลัชยาตั้งใจนั่งสมาธิแต่จิตใจฟุ้งซ่านต้องทำอย่างไรคะต้องจเจริญสติให้มากสตินี้เป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราไม่มีสตินี้นั่งไปยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ ดังก่อนที่จะมานั่งสมาธินี่เราต้องมีเบรกมีสติวิธีเจริญสติก็คือให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราบริกรรมพุโทโธไปเราก็จะไม่สามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้พอเราไม่คิดเรื่องราวต่างๆใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายคําถามจากคุณเอ๊ สังฆทานที่เราซื้อเองนำไปถวายพระกับสังฆทานที่ทางวัดเตรียมไว้ให้แล้วทำบุญแล้วถวายพระเราวควรถวายพระด้วยสังฆทานแบบไหนดีคะอย่างไหนพระสงฆ์จะได้ใช้ประโยชน์มากกว่ากันคะมันก็ต้องซื้อของที่ผู้รับเขาใช้ได้แต่บางทีเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบางทีก็ต้องถามคนที่เขา ไปวัดบ่อยๆไปวัดอยู่เรื่อยๆเขาก็จะได้รู้ว่าทางวัดขาดแคลนอะไรถ้าถวายของที่ทางวัดขาดแคลนมันก็จะได้ประโยชน์ทางวัดเขาก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราถวายของที่ซ้ำซ้ำซักซากถวายซ้ำเหมือนกันเนี่ยก็แผงสังฆทานเป็นร้อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรงั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้รับได้รับประโยชน์ เราก็ต้องศึกษาว่าผู้รับนี้เขาขาดแคลนอะไรเมเวลาเราจะไปช่วยเหลือใครเราก็ต้องศึกษาดูก่อนว่าเขาขาดแคลนอะไรเช่นเวลาน้ำท่วมไฟไหม้เราก็ไปดูว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่คนน้ำท่วมไฟไหม้ก็ไปซื้อของเล่นไปให้เขาเองเขาไม่รู้จะไปทำอะไรต้องดูว่าเขาขาดแคลนอะไร อันนี้ก็ต้องเสียเวลาหน่อยถ้าอยากจะทำบุญแล้วได้ประโยชน์กับผู้รับแต่ถ้าจะทำบุญเพื่อประโยชน์กับผู้ให้นี้จะให้อะไรก็ได้เพราะว่าผู้ให้นี้จะได้ประโยชน์ทันทีเพราะได้สล ะ, ะสมบัติเงินทองที่เป็นของตนให้แก่ผู้อื่นไปอันนี้มันมีประโยชน์สองส่วนประโยชน์ของผู้รับกับประโยชน์ของผู้ให้ไม่เหมือนกัน ปรยชน์ของผู้ให้นี้เกิดจากการให้สิ่งของที่เป็นของของตนให้แก่ผู้อื่นไปแต่ประโยชน์ของผู้รับนี่จะได้ประโยชน์หรือไม่อยู่ที่ว่าเขาขาดแคลนสิ่งที่เราให้เขาไปหรือเปล่าหรือเขาต้องการต้องมีหรือเปล่าถ้าเขาไม่ต้องมีให้เขาไปมันก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรกับเขาแต่การทําบุญนี้ เราก็ถือที่ประโยชน์ที่ผู้ให้เป็นหลักคือเราต้องการให้ผู้ให้นี้มีความนุ่มเย็นเป็นสุขแต่มันจะมีสุขมากสุขน้อยก็อยู่ที่ประโยชน์ของผู้รับเองถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์เลยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนการเอาเงินไปทิ้งมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรถ้าเราอยากจะได้รับความรู้สึกที่ดีมากเราก็ต้อง ทาในสิ่งที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องการมากๆพอให้แล้วเขาเกิดความสุขขึ้นมามันก็จะทําให้เราได้รับความสุขนั้นกลับมางั้นถ้าอยากจะทําบุญเพื่อให้ได้รับบุญมากๆกนี่ก็ต้องพิจารณาผู้รับด้วยว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดแคลนอะไรเวลาเราซื้อของให้ใครเราก็ต้องคิดก่อน่ไหของนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่า ทำไมเวลาถวายของให้พระนี่ไม่คิดเลยพอมีกระป๋องเหลืองๆก็ซื้อไปเลยมันก็เลยความรู้สึกบางคนซื้อของถวายซื้อกระป๋องไปถวายนี่บางบางทีความรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขมากเหมือนกับคนที่เจาะจงไปหาซื้อของสิ่งของที่จําเป็นจริงๆและของที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยเช่นสบู่แปรงซีฟันยาซีฟัน ของที่ใช้กันได้ถ้าไปซื้อของที่เป็นชุดนี้เราก็ไม่รู้ว่าของเป็นมีคุณภาพหรือเปล่าบางทีของที่เขาขายเป็นชุดนี้เขาจะากําไรมากๆเขาก็จะเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายแล้วคนคนซื้อก็ไม่สนใจเพราะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อมันก็เลยเป็นช่องโอกาสอันดีของคนขายคนขายก็จะได้ขายของไม่ดี ได้กําไรมากๆขายของไม่ดีแต่คิดราคาแพงๆคนซื้อก็ไม่ได้สนใจว่าดีหรือไม่ดีขอให้ได้ซื้อแล้วได้ไปถวายพระก็พอใจแล้วแล้วก็ไม่เคยเปิดดูของที่เขาใส่ไปในถังว่ามีอะไรบ้างของที่ใส่เข้าในถังข้างในถังไม่มีมีแต่เขามีแต่อยู่ที่บนถังนั่นของข้าง ข้างใต้ถังข้างในถังมีแต่กระดาษมีแต่ขวดน้ำของที่ที่มีอยู่ก็มีอยู่ที่เขาโชว์อยู่ข้างบนเท่านั้นแหละแปรงสีฟันก็อันบางทีใช้ทีสองทีก็หักยาสีฟันก็หลอดเล็กๆอะไรทํนองนั้นปลากระป๋องบางทีก็สนิมขึ้นหมดอายุ คนซื้อไม่รู้ะคนใช้รู้แต่คนใช้พูดไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่า จ, จ, จูจี้จุกจิกขี้เลือกไม่เหมาะกับสัมนาเพศก็เลยพูดไม่ได้พอได้มาแล้วก็โยนทิ้งกันเนาะขแขนสังปราทานส่วนใหญ่เขารับกันมาแล้วเาก็โยนทิ้งกันเนะพใช้ไม่ได้ผ้าก็ห่มไม่ได้ผ้าก็ผืนนิดเดียว ที่มันเป็นสูตรยังจะขายจะซื้อของถวายผ้าต้องถวายปัจปจัยสี่ปัจจัยสี่ผ้าจีวังก็ต้องมีผ้าผืนหนึ่งอาหารกับปากะป๋องสักกระป๋องหนึ่งมาม่าสักซองหนึ่งมันก็เลยทำเป็นแบบเป็นอาหารชุดอย่างนั้นอ่ะ อันนันิดอน่หน่อยมันไม่เกิดเลยไม่ได้อะไรเป็นกอบเป็นกรรมจริงๆถ้าไปซื้อเองเราไปซื้อสบู่ก้อนใหญ่ๆเลยซื้อยาซีฟันหลอดใหญ่ๆเลยซื้อแป้งที่มันมีคุณภาพหน่อยที่ใช้แล้วมันไม่หักไม่ไม่มันมันใช้ได้ประโยชน์ตรงทีแป้งที่ไม่มคีคุณภาพมันก็แข็งนีใช้ใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะได้บุญมากๆก็ต้อง ต้องพิจารณาของที่เราซื้อของที่เราให้จะไม่อยากจะพูดว่าดีแต่ว่ามันต้องใช้ได้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์คนรับได้รับประโยชน์เขาเขาได้รับความสุขเราต้องการให้ความสุขเขาไม่ใช่เลยใช่มเราต้องการให้ความสุขเขาเราก็ต้องคิดถึงสิ่งที่เขาที่จะทำให้เขามีความสุขก็คิดง่ายๆคิดถึงตัวเราเองก็แล้วกันว่า ถ้าใครก็ให้ของอะไรเรานี่เราต้องการอะไรถ้าถ้าของใช้ที่เราใช้อยู่นี่เราต้องการอะไ ร, ร, ร, ร, ะไรแปรงสีฟันเราจะไปซื้อแปรงสีฟันยี่ห้อไหนดียาสีฟันยี่ห้อไหนดีสบู่ยี่ห้อไหนดีผ้ายี่ห้อไหนดีอะไรก็คิดไปแล้วเราก็จะได้ซื้อของที่เหมาะสมจะทำให้เราได้บุญจากการที่เราทำบุญจริงๆไม่ใช่ ซื้อขยะไปให้เขาแล้วเขาก็โยนทิ้งไปเอ้ยพระอาจารย์ครับอย่างนี้ผู้ผลิตนะครับผู้เอาของมาแพ็คขายมีกรรมไหมครับกรรมบาปรวมถึงผู้ที่ขายบางทีรู้ทั้งรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังขายเพราะต้องการเงินอย่างนี้เป็นกรรมบาปไหมครับพระอาจารย์มันไม่บาปแต่มันก็ไม่เป็นบุญนะเขาไม่ได้บุญเขามีโอกาสได้บุญจากการขายของเหล่านี้ ก็มีบางบริษัทบางแห่งเขาก็จัดดีนะของเข้าขอ ง, ของต่างๆก็เขาก็ทําดีก็มีแตแบบที่ไม่ดีก็มีแต่มันก็ไม่ได้บาถ้าจะบาปก็บาปตรงที่เขาโกงหรือเปล่าถ้าเ้าโกงเอาสินค้าราคาถูกมาขายในราคาแพงเอาสินค้าที่หมดอายุหรือว่าใกล้จะหมดอายุแล้วมามาขายอย่างนี้หรือไม่เอาของที่มีคุณภาพ ทีของเขาต้องการที่จะเขาของขายไม่ออกก็ามามาใส่ในกระแป้งสังฆทานคำถามข้าต่อไปจากคุณประชุมชัยนะครับผมสงสัยในเรื่องการปฏิบัติธรรมครับโดยเฉพาะเรื่องการทำการภาวนาผมได้นั่งสมาธิทุกวันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยก่อนการปฏิบัติผมจะสวดมนต์ไหว้พระหลังจากนั้นจะอธิษฐานขอบารมีครูบาอาจารย์ เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิผมจะปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างออกไปแต่มีบางครั้งที่จิตอาจจะลืมตัวไปแต่มีสติตามทันก็มากำหนดแล้วภาวนาต่อจนจิตเริ่มนิ่งขึ้นโดยสิ่งที่เห็นจะมืดหมดไม่เห็นอะไรแต่รู้ว่าตัวเองนิ่งในระดับหนึ่งจนประมาณ45นาทีจิตจะถอนออกจากสมาธิเองคาถามคือ การปฏิบัติแบบนี้ถือว่ามาถูกทางหรือไม่ครับโดยผมกําหนดอาการภาวนาด้วยลมหายใจครับเป็นอย่างนี้มาประมาณสองสั ป, ปดาห์แล้วและเวลาออกจากสมาธิรู้สึกสบายใจและมีความสุขและมีกําลังใจมากขึ้นครับทุกวันนี้ต้องนั่งสมาธิครับหากไม่นั่งเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนี้เป็นการเรียกว่าติดสมาธิหรือไม่ครับก็เป็นการที่เรา ได้เห็นประโยชน์ของจะการนั่งสมาธิว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราจะเรียกว่าติดหรือไม่ติดนี่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกับเรารับประทานอาหารนี่เราติดหรือเปล่าติดการรับประทานอาหารนี่มันเสียหายัหมมันไม่เสียหายติดการนั่งสมาธิก็ไม่เสียหายตรงไหนอันนี้ที่เขาไม่ให้ติดสมาธิก็สาหรับผู้ที่ ต้องการจะปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าสมาธิก็ต้องไม่ติดสมาธิคือต้องก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปคือธรรมขั้นปัญญาหลังจากออกสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆความไม่แน่นอนความความเกิดดับของสิ่งต่างๆ อันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วจะทำให้ได้รับความสุขที่มีอนุภาพมากกว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิพอสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้การนั่งสมาธินี่จะใช้ได้แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งแต่ถ้าเรามีปัญญานี้เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเวลาเราไปพบปะกับเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่เราสามารถทาให้ใจเรามีความสุขได้ แทนที่จะทุกข์เรากลับสุขได้เช่นไปเจอใครเขาด่าเราเราก็ยิ้มได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีปัญญาก็จะบอกว่าก็มันเสียงนกเสียงกาไปไปเดือดร้อนทำไมมันก็เสียงธรรมดานี่เองแต่เราไปอยากไม่ให้เขาด่าเราเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาท่านั้นเองถ้าเราฉลาดก็อยากให้เขาด่าสิมันจะได้ไม่ทุกข์ เวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราได้ดังใจอยากเราก็ดีใจใช่ไหมงั้นถ้าเรารู้ว่าจะต้องเจอคนดา่าก็อยากให้เขาดา่าสิจะได้สบายใจเออวันนี้ยังไม่ด่าเลยเมื่อห่จะดา่าสักทีให้คิดอย่างนี้พอด่าเราก็จะดีใจโอ้วันนี้ได้ได้รับการด่าแล้วนี่คือใจของเราใจของเราไปทุกข์กับเขาเองทุกข์เพราะเราไม่อยากเราไม่ชอบท่านนั่นเองถ้าเราชอบเราจะไม่ทุกข์ใช่ ถ้าเราได้สิ่งที่เราชอบเราทุกข์ไหมเราดีใจจะตายไปฉนั้นหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ชอบนี่คือปัญญาดีกว่าสมาธิท่านถึงบอกว่าไม่ให้ติดสมาธิแต่ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะมีกำลังใช้ปัญญาได้ฉะนั้นถ้าเรายังไม่ชำนาญในสมาธินี้ฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนให้สามารถเข้าไปได้นั้น ได้เมื่อไหร่ต้องการเมื่อไหร่ก enfin ็เข <S im |id|>. ้าไปได้เพราะบางเวลาปัญญาเราก็ไม่ทันกิเลสใจก็จะทุกขึ้นมาได้จะฟุ้งขึ้นมาได้เมื่อเราใช้ปัญญาดับความทุกข์ไม่ได้อย่างน้อยเราก็กลับเข้าไปในสมาธิได้เข้าไปในสมาธิได้เราก็จะดับความทุกข์ได้เช่นคนด่าเราแล้เราใช้ปัญญายังไงมันก็ยังไม่ยอมหายเราก็กลับเข้าไปในสมาธิถ้าเราเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการก็มันก็มันก็สบาย พอเข้าไปปุ๊บความทุกข์ต่างๆก็หายไปดังนั้นต้องมีสมาธิก่อนและเวลามีสมาธิก็ต้องให้ชำนาญก่อนให้สามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นน่ะถึงไปทางปัญญาแล้วจะได้ไม่เป็นปัญหาเวลาที่เราแก้ปัญหาด้วยปัญญาไม่ได้เราก็แก้ด้วยสมาธิไปก่อน แต่ถ้าสมาธิก็ไม่ชํานาญไปทางปัญญาเดี๋ยวเกิดไปแก้ปัญหาทางปัญญาไม่ได้จะกลับเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้ก็เลยทุกไปตลอดเวลานี่คือความหมายของการฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนขณะที่กําลังฝึกให้ชํานานนี้ไม่ถือว่าเป็นการติดสมาธิเป็นการฝึกให้เกิดความชํานาญพอเราชํานาญแล้วถ้าเราไม่ออกทางปัญญาเนี่ยถึงจะเรียกว่าติดสมาธิ หมายความว่าผู้ที่อยู่ในระดับของการเจริญปัญญาแล้วเนี่ยก็ทิ้งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ต้องกลับเข้าไปฟ <ไป S 1> ัเพราะพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องฟุ้งขึ้นมาพระอาจารย์ครับแล้วปัญญากับสติ ค, คือตัวเดียวกันไหมครับพระอาจารย์ก็สอตัวสติ ค, คือตัวระลึกรู้ปัญญาคือการแยกแยะผิดถูกดีชั่วเหตุผลต่างๆนี่เรียกว่าปัญญาคําถามจากนายมังกรข้อที่หนึ่ง ผมนั่งภาวนาก่อนนอนคืนละสองชั่วโมงแต่มีการสลับขาบ้าง1ชั่วโมงจะสลับ1ครั้งเพราะทนกับทุกเวทนาไม่ไหวการนั่งเจริญภาวนาแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูกในระดับหนึ่งก็คือแต่มันจะไม่ได้กาลังของสมาธิที่มที่ที่มากถ้าเราสามารถนั่งโดยผ่านความเจ็บได้นี่กลังของสมาธินี่มันจะมากกว่า สมาธิที่เราต้องสลับขาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าสมาธิเรามีกําลังน้อยพอเจอความเจ็บก็ทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสมาธิมากนี้เราจะรู้สึกเฉยๆกับความเจ็บยังถ้าเราพยายามฝึกทนนั่งกับความเจ็บไปได้แล้วใ ห, ให้มันผ่านความเจ็บได้แล้วสมาธิเราจะมีกําลังมากกว่าการที่สลับไปสลับมาพ ร, รบพระอาจารย์ครับพระอรหันต์หรือว่าพ ร, พระพุทธเจ้าเนี่ย บรรลุด้วยปัญญาหรือด้วยสมาธิครับอาจารย์ต้องศีลสมาธิปัญญามันต้องมีทั้งหมดอย่า ง, งแต่ว่ามันพัฒนาไปทีละตัวตอนต้นพัฒนาศีลก่อนเพราะมันง่ายกว่าแล้วก็มาพัฒนาสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็พัฒนาปัญญามันขาดกันไม่ได้มันมันพึ่งพาอาศัยกันเหมือนคุณสร้างบ้านเนี่ยคนเยาววาจะเอาหลังคายอย่างเดียวโดยไม่มีเสาไม่มีรากฐานมันไม่ได้หรอก เรื่มต้นคุณต้องขุดลากฐานก่อนใช่ไหมแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาเมื่อตั้งเสาแล้วคุณค่อยขึ้นคานขึ้นอะไรแล้วค่อยค่อยอมุงมุงมุงหลังคาอีกทีหนึ่งเห็นจะได้หลังคาไม่ใช่บอกว่าปัญญาเป็นตัวทาให้เราหลุดพ้นก็เลยเอาปัญญาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้ไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เป็นแบบสัญญาไปคิดไปเอง บางทีก็คิดว่าผมรู้แล้วผมหลุดแล้วผมเห็นความไม่เที่ยงแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันแล้วหลุดหน่อยยังหลุดพ้นหน่อยยังมันยังไม่หลุดพรยังทุกข์อยู่ใช่ไหมพอเห็นความแก่ก็ทุกข์แล้วเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์แล้วเห็นความตายก็ทุกข์แล้วอันนี้ก็เป็นปัญญาแต่ปัญญาที่มันมันดับความทุกข์ไม่ได้ ถ้าเป็นปัญญาจริงนะพอเองคําแก่ก็เฉยไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไายได้ป่วยก็เฉยเวลาจะตายก็เฉยอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นปัญญาดังนั้นจะเฉยได้มันต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนเพราะไม่มีศีลมันก็เดี๋ยวาไปทําบาปทํากรรมไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่มันจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันคนที่ไม่ถือศีลแต่ก็ไปไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมอย่า คืนเย็นนี้อยากจะไปกินเลี้ยงก็ไปได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ได้จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ได้แต่ถ้าถือศีลแปนี้มันไปไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องอยู่บ้านหรืออยู่วัดก็ต้องนั่งสมาธิเพื่จะได้ใจสงบจะได้มีความสุขได้นั่นมันต้องเป็นขั้นตอนเหมือนการศึกษาเรื่เรียนต้องเริ่มจากอนุบาลไม่ใช่หนูไปเรียนมหาลัยได้เลยใ่ปะ Can you go to college? Can you go study in college? มันเป็นไปไม่ได้หรอความสามารถมันไม่พอที่จะไปเข้ามหาลัยได้จิตใจมันก็เหมือนกันจิตใจที่ยังยังทำทานไม่ได้นี้ก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนถ้ายัางโลภยังหวงสมบัติเข้าของเงินทอง ยังมีความเห็นแก่ตัวเนี่จะทำทำทานไม่ได้เพราะการทําทานมันเป็นการทําตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวทําตรงกันข้ามกับความโลภเนีย่ยเราต้องเราชนะความโลภความเห็นแก่ตัวให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถรักษาศีลได้ถ้าเราทําทานได้เราก็จะมีเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะไม่อยากจะทําบาปและเมื่อเรา รักษาศีลได้เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้เมื่อใจเราสงบมีสมาธิเราก็จะพิจารณาทางปัญญาได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเห็นอะไรเราก็จะเฉยได้เห็นความแก่ก็จะเฉยได้เห็นความเจ็บเห็นความตายก็จะเฉยได้ อันนี้ต้องมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาทีละชิ้นที่ลวอันจนกว่าเราจะมีครบถึงจะสามารถที่จ ะ, ะทำสิ่งที่เราปรารถนาได้คือบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือครบบริบูรณ์มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอต้องมีครบทุกอย่างพรานอาจารย์ครับผู้ปฏิบัต ส่วนใหญ่นะครับที่พบมาจะมีปัญหาว่าแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือสัญญาและสิ่งไหนคือปัญญาครับอาจารย์ไม่ทราบว่าจะต้องมองอย่างไรครับอาจารย์สัญญาก็คือทำที่เราได้ยินได้ฟังแล้วพอเวลาไปจะไปใช้มันมันหาไม่เจอมันรู้อยู่ที่ไหนเวลาใครด่าเราโกรธขึ้นมาเงี้ยปัญญาหายไปไหนปัญญาสอนว่าให้เราไม่โกรธห้ามเขาไม่ได้คําด่าของเขาเราไปสั่งเขาไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราฟังได้เราฟังเฉยๆได้ทําไมเราไม่ฟังเฉยๆทาไมฟังแล้วไปโกรธเพราะเรามีความอยากไม่ให้เขาด่าเราแล้วเราก็เลยโกรธเสียใจขึ้นมาเนี่ยปัญญาที่ได้ยินได้ฟังนี้หายไปแล้วจาไม่ได้แล้วเวลาอยากจะกินข้าวสอนให้ดูเอาปฏิกูลของอาหารก็จําไม่ได้แล้วเห็นอาหารในจานนี่น้ําลายไหลแล้วแทนที่บอกให้นึกถึงอาหารที่มันออกมาจากทางทวารหนักก็ไม่ยอมมองเลยไม่ยอมคิดเลย เอป็นสัญญาไปนนะแล้เขนะ้าใจไหมถ้าเป็นปัญญามันจะจําได้ ท, ทันทีมันจะนึกขึ้นมา ท, าทันทีพอนึกถึงอาหารที่ออกจากทวารหนักมันก็ไม่อยากจะกินแล้วนะเ ว, เวลา <c oughs> เวลาไปเดินตามห้านเขาจางเห็นของกินอร่อยอร่อยเนี่ยก็ <c oughs> จะมองเลยว่าตอนเข้าไม่เหมือนกันแต่ตอนออกก็เหมือนกันหมดเนี่ยนี่คือปัญญาไหมครับพี่นันถ้าไม่เราไม่อยากกิน <c oughs> อถ้าเราไม่อยากกินก็แสดงก็ดับความอยากได้ก็เรียกว่าเป็นปัญญา ถ้าดับความอยากไม่ได้ก็เป็นสัญญาข้อที่สองเวลานั่งภาวนาไปสักพักตัวจะหายไปแล้วเกิดอาการตื่นเต้นจึงต้องลืมตาบางครั้งตัวหายไปแล้วเกิดทุกเวทนาขึ้นมาผมจึงลืมตาทุกครั้งเพราะทนกับทุกเวทนาไม่ไหวควรทำอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรครับก็ควรจะภาวนาต่อไปถ้าเราใช้พุโทโธกบพุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไป แสดงว่าเรายังไม่ถึงความสงบที่แท้จริงเป็นความเป็นความสงบปลอมอยู่เป็นความสงบที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของเราขึ้นมาเองถ้าเป็นความสงบจริงแล้วมันจะนิ่งมันจะเฉยมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายคำ ถ, ถามจากคุณสอละอาด ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนได้ภูมิธรรมที่สูงและละเอียดจะต้องพบกับมารหรืออุปสรรคต่างๆที่สูงและละเอียดขึ้นตามใช่หรือไม่และเพราะเหตุใดครับ อ, อ, ร อ, อ, อ๋อไม่หรอกอุปสรรคหรือมาร อ, อคำว่ามาร น, นี่ถ้าถ้าหมายถึงมานในใจเหล่านี้มันก็จะมีมารที่มันเป็นคู่ต่อสู้กันเนี่แต่ละขั้นมันก็จะมีมารของมัน มันก็อย่างนี้ก็จะเรียกว่าใช่แต่ถ้าคิดถึงมารที่อยู่ข้างนอกนี้มันไม่จำเป็นมันมารข้างนอกนี้ก็เป็นไข่ก็ได้ทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ขั้นภูมิของเราแต่มารข้างในเนี่ยมันมีแต่ละขั้นมันจะมีมารของแต่ละขั้นมารของพระโสดาบันก็คือความกลัวตายความรักตัวกลัวตายนี่ก็เป็นมารของพระโสดาบันมารของพระสกิาคามีพระนาคามีก็คือ คนที่มีรูปล่างหน้าตาสวยงามรูปหนล่อเหลานี้ก็จะเป็นมารของของพระสกิดาคามีพระอนาคามีคาถามจากคุณงั้นขอวิธีพิจารณาตัดกังวลก่อนทำสมาธิครับก็อย่าไปคิดเนี่ยใช้พุทโธพุทโธไปเรื่อยถ้าหยุดคิดความกังวลก็หายไปคาถามจากคุณแอน การดูกายทํางานในชีวิตประจําวันเราสามารถท่องพุโทโธไปพร้อมกันได้หรือไม่คะหรือเราควรเลือกเฉพาะอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเพื่อทําให้เรามีสติอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นได้ทั้งสองอย่างถ้าเรามีกําลังดินใจให้อยู่กับงานที่เราทําโดยไม่ต้องใช้พุโทโธก็ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้แต่ถ้าไม่มีกําลังมันจะวอกแวกไปคิดถึงเรื่องนั้ น, น, นเรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธเดินกลับเข้ามา คำ ถ, ถามจากคุณไกรลินผมอยากทราบว่าปัญญาทางโลกที่พ่ําเปรียนเพียงสอนกันมาต่างกับปัญญาทางศาสนาอย่างไรบ้างครับคือปัญญาทางโลกนี้มันเป็นเป็นความรู้ที่ไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องของการดับความทุกข์ใจความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถมาดับความไม่สบายใจของเราได้เพราะมันเป็นคนลวิชากัน เหมือวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาประวัติศาสตร์นี่มันเป็นคนละวิชากันจะเอาวิชาคณิตศาสตร์มาทำข้อสอบของวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้มันเป็นปนคนละขแนงกันวิชาทางธรรมนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ใจและกวิธีการที่จะดับความทุกข์ใจซึ่งไม่มีสอนอยู่ในวิชาทางโลกคงถามจากคุณอนิจจัง เวลาลูกนั่งสมาธิจะมีความรู้สึกว่ามีน้ำลาย ค, ค่อยๆซึมออกมาเต็มปากทำให้เราต้องคลอยกลืนทำให้เสียสมาธิตอนหลังลูกมาคิดว่าถ้าไหลก็ไหลไปเลยจะไม่กลืนมันก็เลยเหมือนอมอยู่ในปากจะทำยังไงดีคะก็อย่าไปสนใจมันมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปมันเป็นมารสาหรับผู้ที่นั่งสมาธิ น, นะเวลานั่งสมาธิมันจะมีมารมาหลอกเราอยู่เรื่อย บางทีก็รู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาบางทีก็รู้สึกน้ำลายเต็มปากขึ้นมามันเป็นมานทั้งนั้นเพราะว่าใจเราไม่มีสติควบคุมมันก็เลยคิดไปต่างๆนานา น, า น, า น, นั้นอย่าไปสนใจมันนะมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปให้เรามีสติอยู่กับพุทโธไปนี่ดูลมไปแล้วอาการต่างๆที่เป็นมาเหล่านี้มันก็จะหายไปเอง ครับแล้วทําไมเวลาสติรวมหรือว่าลอ่าจิตรวมเนี่ยทำไมน้ําน้ําลายไม่ไหลครับอาจารย์ไม่ค่อยไหลออกมาครับอาจารย์ก็มันปล่อยวางร่างกายเวลาจิตรวมนี่มันไม่มันมันปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยเมื่อเวลาเรานอนเนี่ยจิตก็ปล่อยวางร่างกายแต่ปล่อยแบบไม่มีสติเวลามีสมาธินี้ปล่อยแบบมีสติมันต่างกาันที่ตรงนั้นคํา ถ, ถามจากคุณปฐุมมา ทำอย่างไรดวงปัญญาจึงจะเกิดขึ้นคะปัญญาต้องเกิดจากการวิเคราะห์สิ่งต่างๆตามสภาพความเป็นจริงของเขาเช่นวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมีอะไรเหมือนเดิมไหมทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดเวลาเปลี่ยนชา้าเปลี่ยนเร็ว อ, อย่างดวงอาทิตย์นี้เปลี่ยนเร็วไหนจากเช้าถึงเย็นก็เปลี่ยนไปละหนึ่งรอบสาหรับร่างกายแล้วนี้มัน จากเกิดไปตายนี่มันช้าหลายสิบปีด้วยกันแต่เราอยากจะรู้การเปลี่ยนแปลงเราก็ดูตัวอย่างของเด็กคลอดใหม่กับเด็กหนึ่งเดือนเด็กหนึ่งปีเด็ก10ปีเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็ดูร่างกายของเราก็ได้พ่อแม่ถ่ายรูปเราไว้ตอนที่ออกมาใหม่ๆเป็นยังไงตอนที่เป็นเด็กเป็นยังไงตอนที่โตแล้วเป็นยังไง ร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงสั่งมันได้หรือเปล่าว่าหยุดตรงนี้พอถึงอายุ35หยุดตรงนี้ห้ามไปเกินนี้้มันสั่งไม่ได้นี่ก็เป็นปัญญาต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงหนึ่งสองสั่งมันไม่ได้ดังนั้นอันที่3าก็คือถ้าอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันอยู่แค่35มันก็จะทุกข์เข้าใจไหมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆ มันจะไปถึงส8ดถึง85สิบห้าก็ปล่อยมันไปพอความจริงพอถึง85้าก็อยากจะให้มันไปถึง1้อยอยู่ดีตอนนั้นไม่สนใจเรื 35, นะ่องสมสบห้าแล้วต่ห้ามมันไม่ได้นี่คือการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราทุกข์ด้วยเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางเขาแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขา อันนี้เราไม่ยอมปล่อยเขาอย่างนี้อย่างลูกเนี่กยกอดกันแน่นเลยไ ม, ไม่อยากใช้ก็จากถ้าเกิดใครมาเข้ามดไปทำไงไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดเข้ า, าไปเราจะทำไงเห็น <laughs> ไหมยอมทุกข์แต่ใช้ปัญญาก็จะไม่ทุกข์ถ้าเขาจะไปเราจะทํำไงได้เราห้ามเขาไม่ได้เน <laughs> ี่ยคนเราทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงกันถ้ามีปัญญาแล้วก็จะยอม เราก็จะไม่ถุกเพราะทุกข์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมือนเอาเอาคอ้อนมาทุบศีรษะของตนเองไม่ได้แก้ปัญหาอะไรคำถามจากคุณจัญญาพอสวดมนต์เสร็จแล้วต้องพาลูกเข้านอนลูกหลับแล้วค่อยมานั่งสมาธิทำได้ไหมคะได้ทำเวลาไหนก็ได้คำถามจากคุณสามารถนะครับแต่เขาเขียนมาไม่ไม่แน่ใจนะครับอ่ สั ต, สตเลขธรรมสิบสัตเลขธรรมสิบประการป ร, ประการ น, นี้เหมาะกับคนธรรมดาที่มีศีลห้าไหมครับมันเหมาะกับทุกคนที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายควรจะเจริญสัตเลกธรรมสิประการข้อที่หนึ่งก็คือความมักน้อยอย่าโลภมากข้อที่สองสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด ลูกจะอยู่กัเราก็อยู่ลูกจะไปก็ไปเรียกว่าสันโดษได้อะไรมาก็พอใจมีเท่าไหร่ก็พอใจยินมีตามมีตามเกิดข้อที่สก็คืออ ะ, อะไรการติดวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวหัดอยู่คนเดียวห่างไกลจากเครื่องเครื่องที่เรียกกมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรส อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันเป็นความสุขปลอมความสุขชั่วเก่าให้ไปหาความสุขจากการปลิดมิเวกอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบสี่ไม่ให้คุก ค, คีกันไม่สังคมกันพอคุยกันแล้วเดี๋ยวมันฟุง้งเดีไม่ดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหรือแม้ก็ชวนไปเที่ยวกันชวนไปทําอะไรกันั้นถ้าคนต้องการความสงบนี้ต้องอยู่คนเดียว อย่าคุยกันอย่าสังคมกันหาให้มีความเพียรในการปฏิบัติให้เพียรพยายามทําสิ่งเหล่านี้เพียรในการมีความมากน้อยสันโดษเพียรปีกวิเวกเพียรเพียรรัเว้นจากการคุกทีกันแล้วก็5้แล้วใช่ก็ให้ศีลให้รักษาศีลให้ดี7ก็สมาธิ แก็ปัญญา9กก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายสิบก็คือการมีญาณอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์ลงเหลืออยู่ภายในเจใจอีกแล้วนี่คือสันเลขาธรรมสิบประการที่เราควรจะยินดีที่ท่านสอนว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงก็ให้ยินดีในธรรมเหล่านี้ เพราะว่าถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำถามจากคุณแอนคนที่ปล่อยวางทุกอย่างได้ง่ายๆโดยไม่เคยเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ทำให้สามารถใช้ชีวิตมีความสุขได้ตลอดโดยไม่เคยศึกษาธรรมะเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นคนมีบุญได้ไหมเจ้าคะได้ คนที่ไม่ทุกข์กับอะไรก็เรียกวคนมีบุญคนที่ทุกข์ก็คนมีกรรมนะเอไม่ทุกข์กับลูกมีกรรมแล้วมั้ยถ้าไม่ทุกข์กับลูกก็มีบุญนะคําถามจากคุณอ้อคุณแม่แพ้อะไรไม่ทราบตาบวมแต่ไม่ยอมไปหาหมอชอบเกาจนบวม ดิฉันก็พยายามห้ามตลอดจนต่างคนต่างเบือ่อนายดิฉันบอกกับคุณแม่ว่าจะไม่เตือนแล้วนะอย่างนี้เป็นอุเบกขาหรือความไม่สนใจคุณแม่คะความจริงก็เป็นอุเบกขาแล้วแหละเพราะเราก็เตือนจนกระทั่งปากเปียกปากฉีกเตือนจนเตือนไม่ไหวแล้วก็ถือว่าเป็นหยุดสทัทีถ้าหยุดก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาคำ ถ, ถามจากคุณไกลิน จิตของมนุษย์เราตอนมีชีวิตอยู่จะมีการเกิดดับของจิตอยู่เรื่อยๆหรือยังไงครับคือตัวจิตเองมันไม่เกิดดับแต่อารมณ์ของจิตมันเกิดดับอาการของจิตมันเกิดดับเช่นความคิดปรุงแต่งมันก็เกิดดับไปเรื่อยๆอความจำได้หมายรู้มันก็เกิดดับไปเรื่อยๆเวทนาความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสุข ก เ, กกเกิดมาแล้วก็ดับไปเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดมาแล้วก็ดับไปไม่สุขไม่ทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปอาการต่างๆของจิตนี้หรืออารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตนี้มันเกิดดับแต่ตัวจิตเองนี่มันไม่ดับคําว่าจิตนี่เขาใช้เขาแบ่งเป็น2ความหมายคือคําว่าจิตความหมายนึงก็คืออาการต่างๆที่มีอยู่ในจิตอีกทีนึ่งเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ต่างๆนี้ก็เรียกว่าจิตนะครับ แล้วก็ตัวจิตเองอีกตัวหนึ่งตัวที่เป็นดวงวิญญาณตัวที่เวลาออกจากร่างไปนี้ก็เป็นตัวจิตตัวที่รู้อยู่เนี่ยอยู่ในร่างกายตอนนี้ที่รู้เฉยๆนี่ยไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรตัวรู้นี่ก็เรียกว่าตัวจิตเหมือนกัน่าสําหรับผู้ที่รับชมทาง youtube นะครับสามารถส่งคําถามมาได้เหมือนกันนะครับคํถาถามจากคุณะหัสด์สพล ในอดีตเคยคิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์คิดไปเองว่าท่านเป็นแบบนั้นแบบนี้โดยความรู้ไม่เท่าถึงการแท้ที่จริงแล้วท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมทำอย่างไรจึงจะหายริ่ตกกังวลจากกรรมอันนี้ได้ครับถ้าเราไม่มีถ้าเราทำไปด้วยความไม่รู้มันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรพอเรารู้แล้วเราก็ยุติไปก็เท่านั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวก่อนเนะเดี๋ยวคิดว่าจะให้พรญาติโยม เผื่อบางคนคิดว่าอยากจะกลับบ้านก็จะไปก็ได้แต่จะจะอยู่ต่อก็ได้แต่ก็ไม่อยากที่จะเหนียวร่างไว้เดี๋ยวนั่งรอรับพรเมื่อไหร่จะให้พอสักทีก็จะให้พรก่อนสําหรับผู้ที่อยากจะรับพรแล้วอยากจะเดินทางไปไหนต่อแล้วส่วนผู้ที่อยากจะอยู่ฟังต่อก็เดี๋ยวเราก็สนทนาธรรมกันต่อ you wanna go home so you <hot> <out> <em> w <go> a n t to stay เจ็ดก็นั่งดีนะไม่ไม่้มองไปไหนมาไหนนะนั่งเฉยๆได้นะมีสมาธิพอสมควรน ะ, นะอิ่แล้วค่ะในนังนีา <c oughs> อาจารย์ครับรูปเพื่อนนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวแล้วเขามีเขาจะมักจะมีอารมณ์โกรธไปโกรธคนอื่นเราอีก S <S เมื่อวานปีที่แล้วเราไปไนเล่าเลยนะคือเมื่านปีที่แล้วครับคือผมชอบแบบเรอยู่คืออยู่คนอื่นก็เป็นเหตุปกติเรียบร้อยแต่ว่าพออยู่คนเดียวมันชอบมีเรื่องแบบคือแบบมีเรื่องแบบเรื่องเครียดขึ้นมาแล้วร อ, อย่างเช่นพาที่องตัวคนอื่นดาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบตัวพ่อแม่ดา่าแล้วบางทีเราเราคิดว่าโดนลุงดา่าโดนยายหงุดอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราถูกอ่ะบางทีเมื่อก่อนผมไม่มีสติ ผมไม่มีปัญญาครับผมโมโหก็มันก็แบบบางทีก็ทุบโต๊ะอย่างเงี้ยครับหรือว่าเลี่ยงของอะไรเงี้ยครับมันไม่ดีครับแต่ว่าตอนควบคุมไม่ได้แตแต่ว่าตอนนี้งตอนตอนนี้เราที่เราฟังทำเนี่ยครับควบคุมได้แล้วครับอก็เลยเวลาได้แล้วว่าโมหสมมติ ถ้าตอนนี้เวลาโมโหวุตรใครบ่นเนี่ยก็จะแบบตอนแรกก็จะแบบโมโหแต่ว่าพอผ่านไปแค่ไม่ถึงนาทีครับสักสิบวิก็จะนึกถึงพรอาจารย์ครับแล้ก็นึกถึงธรรมะครับท่านสอนีนี้ก็จะหายครับเปปัญญาแสดงว่าเป็นปัญญาไม่ใช่พยายามรักษาความสงบไว้นิ่งไว้ใครจะว่าอะไรก็เฉยอย่าไปสนใจห้ามของไม่ได้ใช่นะห้ามใจเราอย่างเดียว ทำใจเรานื่งเฉยเฉยอย่าไปทําอะไรได้ไรับไงที่ที่ผมทำลายข้อของนี้บาปมากไหมครับไม่บาปมากหรอกไม่บาปอย่าไปทําลายชีวิตก็แล้วกันโอไม่ชีวิตนี้ร้ายรมากบาปมากข้อของซื้อใหม่ได้ซื้อมาชดแทนก็ได้ต่อไปมีเงินก็ไปซื้อของมาชดเฉยเข้าไปของอะไรที่เราทําลายก็ซื้อมา คำถามจากทาง u t u b e นะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นใช่ไหมครับหรือว่ามีศีลและภาวนาไปเลยไม่จำเป็นต้องรวยก่อน <c oughs> มันไม่เกี่ยวการภาวนานี้ไม่ได้ทาเพื่อให้รําให้รวยหรือให้ยากจนภาวนานี้เพื่อทำให้เรามีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจคนสุขรวยสุขคนรวยก็ภาวนาได้คนจนก็ภาวนาได้ สมัยพระพุทธกาลนี้มีทั้งคนรวยบวชคนจนบวชพระเจ้าแผ่นดินบวชมีคนทุกระดับบวชกันเพราะว่าฐานะต่างๆนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจสร้างความสบายใจได้นอกจากการบวชเท่านั้นถ้าบวชแล้วก็จะได้พบกับความสบายใจความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆคาถามจากคุณซีย่า ตัวรู้ตัวเห็นเป็นอย่างเดียวกันใหม่ครับและตัวจิตที่เรารู้ทันคือการเห็นจิตใหม่ครับตัวรู้กับตัวเห็นก็คือตัวรู้รู้ตัวเห็นอีกทีก็จะตัวเห็นเป็นตัวรับข้อมูลมาเช่นรับเสียงรับรูปรับกลิ่นมาแล้วตัวรู้ก็รับรู้ต่ออีกทีนึงว่ามีมีมีเสียงมีกลิ่นเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีตัวแปลความหมายเข้ามาว่า เสียงนี้เป็นเสียงใครเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูพอเป็นมิตรก็จะเกิดเวทนาสุขขึ้นมามีความรู้สึกสุขเวลาได้เห็นหน้ามิตรถ้าเป็นศัตรูก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความทุกข์ขึ้นหรือความสุขขึ้นมาก็เกิดสังขารเราจะทำยังไงดีถ้าปติก็เดินเข้าหาต้อนรับเขาถ้าศัตรูก็ไปหาปืน อันนี้ทํางานของใจมันทำอย่างนั้นอาการของใจจะเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเข้ามาแล้วก็จะบอกใจให้ทํำยังไงต่อไปคําถามจากคุณสิริวัลคนที่สนุกสนานต้องใช้อานาปนานสติให้สนุกแบบมีเหตุผลใช่หรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องของจริตนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าสนุกสนานหรือไม่สนุกสนานการใช้อานาปนานสติเพื่อทําใจให้สงบ ถ้าจะอยากจะสนุกสนานก็ต้องไปดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงไปหาเพื่อนฝูงอย่างนั้นก็จะสนุกสนานแต่ถ้าจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็จะหาความสงบคำถามจากคุณเล็กอยากให้พระอาจารย์อธิบายคําว่าเจตสิกด้วยค่ะเท่ที่เราเข้าใจเนี่ยก็คือก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจทั้งหลายแล้วเรียกว่าเจตสิก เช่นอารมณ์นี่ก็เป็นเจตสิกเวทนาสัญญาสางขานความคิดปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าเจเจตกเจตสิกทั J ik, ้งนั้นแต่ถ้าอยากจะให้แน่ใจก็ลองไปค้นดูในในอินเทอร์เน็ตก็ได้เข้าไปจะจะชัดกว่าคาถามจากคุณคิงนภาจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราทิ้งสมมุติเข้าสู่วิมุติอยู่ยังก็คือเราทิ้งสมบัติได้ทิ้งสามีทิ้งลูกทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมติได้ไปอยู่คนเดียวได้คำถามจากคุณสามารถผู้ที่ได้ว่าเป็นโสดาบานนี้หมายถึงผู้ที่มีศีลแปดบริสุทธิ์มีสมาธิจิตรวมได้สามารถผ่านเวทนาขันได้เป็นผลของโสดาโซดาปฏิผลใช่หรือไม่ครับผลของโสดาปฏิผลก็คือต้องมีศีลมีสมาธิสนับสนุนปัญญา ปัญญาที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาก็ปล่อยวางร่างกายได้ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายคำถามจากคุณศิริพรปัจจุบันเด็กมักจะขาดสติสมาธิในการทำกิจกรรมขออุบายวิธีจากพระอาจารย์ในการฝึกเด็กๆค่ะ ก็จับมานั่งสมาธิดิจัดให้ก็พุโทโธพุทโธบ่อยๆคือการที่จะมีสมาธิในการทํางานความจริงคําว่าสมาธินี้ในาภาษาพระเราเรียกว่าสติให้เรามีสติจดจอ่ออยู่กับงานที่เราทําอยู่ถ้าใจไม่มีสติจดจอ่ออยู่ก็ให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธดึงใจเข้ามาสอนให้เด็กบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลาทํากิจกรรมต่างๆ ถ้ามีพุโทโธแล้วมันก็จะไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้มันก็จะอยู่กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ได้ น, นก็ให้ฝึกพุโทโธสอนเด็กให้พุโทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาปล่อยความลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ให้ท่องพุโทโธไปเวลาไปเตรียมตัวไปโรงเรียนก็ให้ท่องพุโทโธไปอาบน้าก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไป แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธนั่งรถก็พุโทโธไปถ้าทำอย่างนี้ไปแล้วใจก็จะมีสมาธิกับการเรียนกับการทํากิจกรรมต่างๆเวลาครูอาจารย์สอนก็จะไม่ไปเล่นกันไม่ไปคุยกันก็จะนั่งฟังใจจะจดจ่อยอยู่การฟังคําสอนของครูของอาจารย์ให้สอนเด็กให้เจริญสติด้วยกา ร, รบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ไปเรื่อยๆ าายจมมมีสมธิขึ้นคําถามจากคุณแอนโนเวลานั่งสมาธิกายเอนไปโครงไปมาบางครั้งรู้สึกตัวกายใหญ่ถ้ามีอาการลักษณะนี้ต้องกําหนดอย่างไรครับแสดงว่าเราไม่มีสติถ้าเรามีสตินี่ร่างกายมันจะนิ่งเหมือนขณะนี้เรามีสติเรานั่งใจร่างกายเราไม่โยกไปไหนมาไหน แต่ถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวมันก็โยกพอนั่งแล้วมันเคลิ้มันก็จะโยกไปโยกมาได้เห็นแสดงว่าเวลามันโยกไปโยกมานี่มันเกิดจากการไม่มีสติแล้วก็ต้องดึงสติกลับมาต้องพุทโธพุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะหายจากการโยกไปโยกมาหมดแล้วนะ มันมีความคำถามที่แบบว่าผมว่าไม่ต้องถามก็ได้ครับเพราะว่าเขาส า, สามารถหาได้ในพูเกอร์นะครับแ่บเช่ น, นจับสินห<ค>้าเป็นสินแปดอะไรอย่างเงี้ยคำแปลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ครับรอย่าบอกในะวิธีการปฏิบัติดีกว่าที่มันหาไม่ได้น ะ, ะมาครับขอบคุณคำถามจากคุณพัชราภาอยากจะขออุบายวิธีแก้ง่วงเวลานั่งดูลมหายใจด้วยค่ะความง่วงมันก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ก็ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารลงผู้ที่จะภาวนาได้ผลดีควรจะงดการรับประทานอาหารมื้อเย็ยนคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วคำถามท้าคุณวันนิพานนะครับเพื่อนฝากถามคลิปของประเทศอินโดนีเซีย ปีศาจไก่กับชาติมาเกิดในร่างของเด็กชายชาวอินโดนีเซียทุกวันจะต้องออกไข่9ฟองเออถ้าจริงเกิดจากทำกรรมใดไว้อ๋อเราไม่รู้หรอกไม่รู้ทไม่รู้ไม่รู้นะเป็นไปได้ไหมสารที่บ้านอาจารย์ว่าจะเอาออกเองไม่ด้วยใช่ คน อ, อื่นอกว่าสสามจอมปวกตอนแรกขึ้นอยู่กลางบ้านใช่ไหมสานจอมปลวกแล้วออกไปแล้วฆ่ามันตายหรือเปล่าถ้าตายก็อย่าไปเอาออปล่อยมันอยู่ไปทีนี้ขุดออกมาแล้วก็ทำสารให้อยู่ข้างๆบ้านนกเราจะย้ายสารหรือย้ายปวกย้ายจอมปวกย้ายออกหมดเลยครับผ ม, ท, มทั้งปวกทั้งอะไรเลยแล้วตายไม่ล่ะถ้ามันตายก็อย่าไปทําถ้าทํำลายสัตว์ก็อย่าไปทํานัน ไป ม, no มันอยู่ไปเมตตาก็คิดดูว <algebra> <course> ่ามันเป็นบ้านเราเงี้ยแล้วเข้ามาเข้ามารื้อบ้านมันทาทางด่วนเราจะยอมให้เขาลื้อป่ะมันเป็นบ้านของเขาอ่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยถ้าเขาไม่อยู่แล้วลื้อได้ถ้าไม่มีตัวสัตว์แล้วก็ทําได้แต่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราย้ายที่อยู่ให้เขาได้ก็ย้ายไปถ้าย้ายไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไป ไม่ต้องไปฆ่าเขาอย่าไปฆ่าเขาย้ายเขาอย่างเดียวอถ้าย้ายได้โดยที่ไม่ฆ่าเขาแล้วมีที่อยู่ใหม่ให้เขาก็โอเคเราย้ายเอยงเลยใช่ไหมจ๊ะได้ย้ายเอยงเลยให้คนอื่นย้ายก็ได้ถ้าเขาอยากจะช่วยก็ได้แต่อย่าไปฆ่าอย่าให้เขาเสียชีวิตก็แล้วกันถ้าไม่ย้ายได้ก็ดีจะได้ไม่เป็นรบกวนเขาเถ้าเราถูกบังคับให้ย้ายบ้านเราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเราบังคับจะเข้าย้ายเดี๋ยวต่อไปล้วอาจจะถูกคนหน่งเข้ามาบังคับให้เราย้ายก็ได้กรรมมันตามเหมอกันนะทำอะไรไว้มันก็จะกลับมาหาเราเครื่องงอไปาเขาดกุดแล้วก็เอาน้าร้อนใส่แล้วก็เอาน้มันเจลีใส่เขาายดเลยนี้เขาปวดขาย่าเลนไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมก็เคยเจอมาคนที่ทำแล้วก็โดนหนีเหมับ อย่ายุ่งเลยครับกคนไปหาหม อ, อหายเลยอารย์ไปหาอา จ, จารย์อะไรเ่ถาอย่าไปทำอย่าไปทบาปนะอย่าไปทำนะอย่าไปทร า, ายชีวิตของผู้ชีวิตของเขาชีวิตของเราเหมือนกันนะคิดอย่างี้ทร า, า, ายชีวิตเขาก็ทํากัทำร้ายชีวิตเราเข้าใจนะ คำถามต่อไปคำถามจากคุณลมบนผมทําสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันมีสิทธิจะบรรลุธรรมไหมครับก็มีสิทธิที่จะพัฒนาให้มากขึ้นไปเพราะการที่จะบรรลุธรรมได้นี่ต้องทําตลอดเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนถ้าวิ่งก็วิ่ง1กิโล2กิโลแต่ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิ่งมาลาทอนได้ ต้องวิระดับมาราธอนถึงจะถึง่าได้บรรลุทาได้คำ ถ, ถามจากคุณเอเคยนั่งแล้วจิตจะรวมเหมือนไม่มีลมหายใจแล้วกลัวแล้วกลัวเลิกทาค่ะตอนนี้ทำใหม่จิตก็ยังฟุ้งอยู่ค่ะทำยังไงจะหายฟุ้งคะกับความให้มีกำลังถ้าสติมีกำลังมากก็จะทำให้ใจสงบได้ สนความกลัวถ้าเวลาจิตสงบความกลัวก็จะหายไปงั้นอย่าไปสนใจความกลัวก็คิดว่ามันเป็นความคิดของเราเท่านั้นเองความจริงมันไม่มีอะไรน่ากลัวพอแล้วเลยเอโอ้สมควรงั้นจะเลิกถ่ายทอดสดอันนี้ไหมได้ครับได้ครับเนะี่ยแปลว่ามันไม่มีคำถามเลยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ขอให้